พุทธวสวัสดีคะ่ะเราก็มาพบกับท่านฟังอีกเพื่อที่จะให้พุทธวัตรหรือว่าพุทธวัจะนะคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสไว้สามารถเรียกได้หลายอย่างนะคะเป็นพุทธพจน์ก็ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงจะรวมกันในส่วนของสองประเภทใหญ่ๆที่ทรงจำแนกเอาไว้นะคะว่าทําสอนอยู่แค่เนี้ยคือเรื่องของธรรมกับเรื่องของวินยัยโดยมี พระมหาภัยบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศวัดที่มีการสอนการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นระบบทุกเดือนจังหวัดอุดรธานีมาเป็นผู้ให้ความรู้กับเราค่ะกราบนมัสการค่ะท่านคะเจ้าปานค่ะพบกันต้องแบบคนไทยอ่นะคะอืทักทายกันก่อนว่าอากาศร้อนมากไหมคะที่อุดรธานีโอ้โหเจ้าไม่มีฝนตกนี่ก็แย่เหมือนกันคุณหยมติวโชคดีที่ยังมีฝนตกช่วยคลายความร้อนลงไปได้บ้าง ออค่ะกรุงเทพก็ร้อนนะคะดิฉันมีเพื่อนอยู่อเมริกา ừ ừ ừ ก็คุยกันทางไลน์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องไปทะเลทรายหรอกให้มาประเทศไทยไหวกันเลยนะคะเอิจริงๆก็ดีกว่าทะเลทรายดิฉันว่าตรงที่ว่าเมืองไทยก็ยังมีฝนตกยังมีคน<ช>คที่อย่างน้อยก็ยังนับถือพระพุทธศาสนารักษาศีลได้ใช่<ล>ค่ะอันนี้นเป็นสิ่งที่ดีมากและยิง่งฤดูร้อนนี่จะเป็นข่าวที่เราได้ยินหรือว่าภาพที่ได้เห็น ก็คือพ่อแม่นิยมให้ลูกไปบวชเป็นสามเณรฤดูร้อนนะคะอ๋อใช่ใช่ค่ะก็ไปใช้เวลาในวันหยุดไม่ใช่ว่าร้อนแล้วต้องบวชอืมเอออย่างอย่างเรื่องของคําว่าสามเณรอย่างเงี้ยถ้าเราจะมาพูดถึงครรําศัพท์ว่าเออทาไมเขาถึงเอ่อต้องต้องน้อยกว่าอายุยี่สิบถึงจะได้ต้องบวชสามเณรหรือทําไมต้องบวชสามเณรก่อ <c oughs> นค่ะซึ่งตรงเนี้ครรยคัพท์มันระบุอยู่ในชื่อของสามเณรอยู่แล้ว โอ้เงี้ขอเป็นความรู้เลยค่ ะ, ะสามเณรเนีย่ยมาจากศัพท์ว่าสมณ ะ, ะสมณะอยู่ในศัพท์ของคําว่าสามเณร เ, เขาก็จะแปลว่าเหล่ากอของสมณะ่ะะเป็นหนอเป็นเหล่ากอของสมณะเขาจึงเรียกว่าสามเณรนั่นก็คือหมายถึงว่าคนที่จะบวชเป็นพระได้คุณต้องบวชสามเณรก่อนถ้อให้คุณอายุ40ปี50ปีแล้วคุณจะบวชพระแต่ก่อนที่จะบวชพระก็ต้องบวชเป็นสามเณรก่อนอาจจะ5้านาทีสิบนาทีตรงนั้นแล้วก็ต่อด้วยการบวชพระ แต่หรื อ, อาจจะอยู่หลายวันหลายปีก็แล้วแต่แต่ละคนอ๋อตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเลยเหรอคะถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นพุทธบัญญัติเลยค่ะอืมก็จึงต้องบวชเนนก่อนใช่เพราะฉะนั้นสามเณรไม่จําเป็นต้องเป็นเด็กถูกไหมคะอ่าไม่ใช่ไม่จําเป็นไม่จําเป็นคือก่อนจะบวชพระต้องบวชเป็นสามเณรก่อนถูกต้องเขาจะจะเรียกคําว่าบรรพชาศัพนทะ์ของการบวชสามเณรจะเรียกว่าบรรปชาศัพท์สําหรับการบวชภิกษุก็จะเรียกว่าอุปสมบท บางทีเราอาจจะเยได้ยินว่าบรรพชาอุปสมบทก็คือหมายถึงบรรพชาสามเณรอุปสมบทพระภิกษุทีนี้ถ้าอย่างที่เราได้ยินว่าบวชาสามเณรภาคฤดูร้อนสับทางการที่จะถูกต้องใช้ก็คือบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนอย่างี้อ๋อค่ะท่านคะทีนี้ระยะหลังเนี่ยก็จะมีการบวชเนนหญิงน้อยๆเหมือนกันนะคะเรียกสามเณรีอ๋อ เขาปรทานโทษนะคะบางทีเขาก็ไม่ถึงขนาดที่ไปคือถึงนเข้าใจว่าถ้าเป็นสามเณรีเลยนี่ต้องใส่สีเหลืองสีพระนะคะใช่ใชแล้วแต่ว่าเท่าที่เห็นเขาใส่สีขาวอ๋อนี่นคือบวชชีมัง่งแมมชีน้อยไห ม, มชีน้อยๆก็คือเอานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดอ่าก็ ค, คือลักษณะแทนคือเป็นเป็นรูปแบบของการประพฤติปรมจำอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ได้ตรัสถึงว่าอุบาสิกาแล้วก็นุ่งห่มขาว ประพืชร พ, พรหมจันทร์อยู่ประพฤืชพรหมจันท์กับภิกษุหรือภิกษุณีพวกนี้ได้มีคำว่าแม่ชีมีมาแต่ครั้งพุทธกาลไหมคะไม่มีเป็นศัพท์ใหม่ที่เราเพิ่งคิดใช้ขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าด้วยความที่อุปชาที่เป็นภิกษุณีเนี่ยเขไม่มีแล้วใช่ไหมแล้วผู้หญิงจะประพติพรหมจันทร์ยังไงล่ะเพระภิกษุในสมัยนั้นท่านก็เลยคิดโซลูชันขึ้นมามันมีการประพฤติพรหมจันทร์อยู่หนะ้าการประพติพรหมจันทร์ไม่ใช่ว่าจะต้องหมเลื้อยอย่างเดียว นะศัพทคำว่าปรมาจันเนี่ย เ, เริ่มตั้งแต่การรักษาศีลแปดเพราะฉะนั้นเราก็เอาศีลแปดมาแล้วก็ประพฤติปรมาจันโดยการนุ่งห่มขาวซึ่งอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่ละนะอุบาสิกาผู้ประพฤติปรมาจันนุ่งห่มขาวอยู่ประพฤติกับผู้ประพฤติปรมาจันก็คืออยู่ประพฤติกับภิกษุอย่างนี้ถูกต้องอ๋องั้นเดี๋ยวไล่เรียงอีทีเผื่อท่านฟังจะฟังดิ่ฉันถามแล้วก็รู้สึกสับสนนะคะก็ สรุปว่าในส่วนสา ม, มนเณรไม่ต้องสงสัยมากนักคือก่อนจะบวชเป็นพระพุทธพจน์เนี่ยให้ได้ผ่านการบรรพชาถูกต้องเป็นสา ม, มนเณรซะก่อนระยะเวลาเท่าไหร่ก็ได้ก็ได้นะคะแล้วค่อยมาอุปสมบทเป็นพร ะ, ะทีนี้ตรงเป็นพระก็ต้องอายุยี่สิบด้วยเกินขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าคนอายุเกินยี่สิบจะมาบวชเป็นพระโดยไม่ผ่านการ เป็นเนรไม่ได้ไม่ได้ต้องบันประชาก่อนใช่ๆเป็นประเด็นตายแล้วก็ทีนี้มาถึงเพศหญิงนะคะได้กราบเรียนถามท่านว่าในส่วนของแม่ชีเนี่ยมีมาแต่ครั้งพุทธการหรือเปล่าท่านพผบูร์บอกไม่มีนะคะแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ผู้หญิงหากไม่มีครูบาอาจารย์บวชให้ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคะภิกอุอุปปชา อ, อุปปชาใช่ของภิกษุณีเนี่ยนะค ะ, ะ, คะบวชให้ ก็เลี่ยงมาเป็นการทําตามพระพุทธองค์ได้ตราดเกี่ยวกับว่าคนเราประพฤติพรหมจรรย์ได้รักษาศีลแปดแล้วก็สามารถที่จะนุ่มห่มขาวใช่ถูกต้องค่ะต้องโกนศีรษะด้วยไหมคะท่านเออนี่ไม่ได้บัญญัติเอาไว้อันนี้ก็คือแล้วแต่คุณจะไว้ผมทรงไหนก็ได้อ๋อค่ะคุณจะไว้ทรงไหนก็ได้ทีนี้เพื่อจะเป็นการบ่งบอกว่าอันนี้เป็นนักบวชนะค่ะก็มีการบ่งบอดด้วยการโกนศีรษะโกนผมโกนหนวดค่ะงั้นถ้าสมมุติเกิดมีบางคน ดิฉันเคยคิดนะคะชีวิตนี้จะไม่มีทางโกนศีรษะปวดฉีแน่นอนสมมติอย่างนี้นะคะ uh huh. แต่ว่าอยากรักษาพรหมจรรย์อยากรักษาศีลเขาเรียกอะไรคะเพราะว่าพรหมจรรย์ในบางทีบางคนเข้าใจเป็นอีกแบบหนึ่ง น, นะคะ <Okay. S 2> รักษาความบริสุทธิ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็คือคือประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤนะติในคําสอนนะให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้ น, นการคําว่าพรหมจรรย์นี่ก็หมายถึงหลีกออกจากกามด้วย <Kay, S 1> <inception. S 2> ก็เท่ากับว่าสามารถประพฤติพรหมจรรย์ได้โดยไม่ต้องโกนศีรษะแต่จะโกนก็ได้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะพูดสั์คําว่าแม่ชีเนี่ยไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแต่ว่าลักษณะการนุ่งขาวแล้วก็การรักษาศีลแปดแล้วก็การอยู่กับวัดอย่างเงี้ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วที่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ก็คืออุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อ <forward> ุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ นุ่งห่มขาวอันนี้มีที่เป็นพุทธพจท์อยู่เราก็ใช้ศัพท์ตรงนี้ที่อุบาสิกานุ่งห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเรียกชันๆันบัม่ชีค่ะงั้นแหมมีแต่คําถามตอบไปอีกแล้วล่ะค่ะคือดิฉันก็เชื่อว่ามีคนจํานวนหนึ่งประสงค์ที่จะประพฤติพรหมจรรย์แต่ไม่ประสงค์ที่จะนุ่งขาห่มขาวเพราะว่าบางทีอยากทำนะคะแต่เหมือนกับจะถูกมองว่าเป็นคนแหลกแยกสําหรับคนที่เขาเห็น เรื่องเหล่านี้ว่ามันไม่จําเป็นอืมเขาจะมองไอ้นี่มันเป็นอะไรนะเนี่ยเพี้ยนหรือเปล่าคนนี้เห็นนุ่งขาวทุกวันเลยสมมุตินะคะอืมค่ะไมน่นุ่งขาวกับนุ่งขาวเนี่ยอการได้รับ<อ>ในเรื่องกุศลผลบุญมันแตกต่างกันยังไงไหมคะเ อ, อเอาประเด็นตรงนี้ก่อนว่าการปรพฤติปรหมจรรย์คืออะไรนะคุณโยมติว ค, คือการที่เราหลีกออกจากกรรมนี่คือประเด็นนะสมมติว่าถ้าคุณไม่นุ่งขาวหรือคุณนุ่งอะไรคุณนุ่งชุดราตรีหรือคุณนุ่งชุดว่ายน้ํา <Okay. S 2> อะไรพวกนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันเป็นไปทางกามแตคือถ้ า, ถ, าถ้าสมมติคุณต้องนุ่งขาวคือมันจบเลยเครื่องแบบนี้จบแล้วคุณไม่ต้อง <Okay. S 2> คิดว่าเอ้ยเช้าจะใส่สีอะไรแล้วกระโปรงหรือกางเกงดีเอ้ยแล้วมันจะตัดเย็บแบบไหนอันนีมน้มันคิดเป็นทางกามละ่ะ <Okay. S 2> แต่ถ้ายูนิฟอร์มเดียวคือจบอาจารย์นะอันนี้คือประเด็นตรงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้ว่าจะต้องไปแต่งตัวอะไรให้สวยงามฉันก็มีอะไรฉันก็ใส่ไปอันนี้ก็คือเพื่อความง่ายก็ได้เหมือนกัน อันนี้คือคือรูปแบบการประพฤติที่เรียกว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้มันบริสุทธิ์บริบรูรณ์โดยสิ้นเชิงในอยสมมุติถ้าถ้าพระมิสุเอากุ้ม่นุ่งห่มเหลืองได้บ่าเออมันก็อยู่ที่ว่ามันจะใส่อะไรอะใสก่กางเกงกางเกงขาสั้นหรือกางเกงขายาวแล้วตัดเย็บแบบไหนโอ้มันจะเป็นเรื่องใหม่ไปอีกขอประทานโท<อ>ษนะคะคือดิฉันเนี่ยไม่ได้พูดก้าวล่วงเข้าไปในส่วนของการไปนักบวช อ, อย่างเป็นทางการแต่กำลังพูดถึงผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นคนที่ทั่วทวไปนะคะไม่ได้อ่าไป เข้าสู่พิธีกรรมหรือว่ารูปแบบของการเป็นนักบวชอย่าง okay, ทางการ <okay. S 1> ค่ะประเด็นตรงนี้ก็คือว่าความง่ายในการใช้ชีวิตนี่คือข้อที่1ข้อที่2คือการที่เราหลีกออกจากก ร, รม mm hmm. นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้บอกว่าเอ้ยฉันจะต้องใส่เครื่องแบบแบบนี้แล้วถามว่าคุณจะใส่อะไรในะจุดที่คุณคิดว่าเอ้ยฉันจะใส่อะไรดีถ้าเป็นไปนในทางก ร, รมอันนี้มันไม่ควร อ้าแล้วถ้าระเบิดจะใส่อะไรดีก็ใส่อะไรที่มันง่ายๆพอที่เพื่อที่จะปกปิดร่างกายปกปิด อ, อวัยวะที่ทําให้เกิดความละอายอ่บังแดดบังร้อนป้องกันความร้อนความหนาวแค่เนี้ยอันนี้โอเคค่ะไม่มีปัญหานี่พูดแต่ในมุมของการแต่งกายนะคะท่านฟังนั้นก็เท่ากับว่าหากเรามีเสื้อผ้าเดิมๆเนีย่ยอยู่ในตู้เมื่อก่อนเป็นคนแต่งตัวสวยมีสวยเต็มไปหมดเลยนะคะท่านแต่ว่าในครั้งนี้หลังจากตัดสินใจจะประพฤติ แบบผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้มากที่สุดแล้วก็เราคิดว่ามันก็ง่ายก็หยิบไปของเดิมเนี่ยมันบังเอิญสวยใสมาเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีเจตนาเป็นไ ป, นปนในทางการรมก็ก็ไม่มีปัญหาได้ถูกต้องนะคะนะจุดประสงค์ของเครื่องแบบจุดประสงค์ของเสื้อผ้าเพื่อปกปิดอวัยวะที่ทาให้เกิดความละอายเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวป้องกันพวกเหลือบยุงลมแดดอันนี้สําหรับพระสงค์หรือว่า ใครก็แล้วแต่เขาจะต้องมีบทก็เรียกว่าปฏิสังขายโยคือหมายถึงว่าพิจารณาแล้วจึงเสพพิจารณาแล้วจึงบริโภคอ๋อปฏิสังขารโยดีจังเดี๋ยวทีฉันขอจทย์ไว้นิดนะคะปฏิสังขารโยคใช่ทําการโยนิโสมรณสิกานทำในใจโดยแยบคายการเคลียดกรุรนให้รอบคอบแตงถึงแม้ว่าคนที่จะแต่งสวยงามก็ตามอ่ะอย่างเช่นว่าเอ๊ฉันจะต้องไปงาน แต่เราก็ต้องแต่งหน้าหน่อยก็ต้องแต่งสวยหน่อยเนี่ยเพื่อที่จะมันเข้าสังคมได้เราพิจารณาตรงนี้ไม่ใช่เพื่อที่ว่าจะให้เกิดความสวยงามชนิดที่เ อ, อ่อเป็นไปนในทางการแต่ให้ความเหมาะสมกับสถานการณ์อันนี้ก็เรียกว่าการปฏิสังขายโยได้เหมือนกันนะคะก็ปฏิสังขายโยกันให้ดีถ้าจะเป็นผู้ประพฤติจะได้ทำให้การเจริญก้าวหน้าในการประพฤติงอกงามไปอีก เองไปปฏิสังขารโยคนอื่นได้ไหมคะเดินมาแต่ไกลในวัดเนี่ยแทนที่จะปฏิสังขารโยตัวเอง <S <S ปฏิสังขารโยคนนั้นเลยือมาวัดทําไมแต่งตัวเนี่ยอืม เ, อเรื่องของการที่เราจะบอกคนอื่นแนตะ่ถ้าสมมุติว่ามันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ย่มันก็ต้องมีดูให้มันเหมาะสมะว่าเราจะชี้โทษเขาในลักษณะไหนเพราะว่าถ้าทําไม่ถูกวิธีบางทีอาจจะเป็นการเพ่งโทษได้บางทีไม่ได้ชี้ไงคะคือ ดูแล้วกันึกของเราในใจของเราเองอ่ะคนอื่นก็ไม่ทราบอ๋ออ๋อเรื่องการที่อันนี้คือการส่งจิตออกแต่สมมุติว่าถ้าถ้าจิตมันออกไปแล้วะเราก็พยายามที่จะตั้งสติขึ้นว่าเออมีความไม่เที่ยงก็อาจจะมีผลในดะคือยังไงให้จิตของเราอยู่ในแดนที่เป็นกุศลค่ะค่ะเพราะว่าไปเรื่อยเลยจริงๆประเด็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่พูดมาทั้งหมดที่ตั้งใจไว้จะกราบเรียนถามท่านวันนี้แต่ไหนๆ เ, เราพูดไปถึงแล้วแล้วก็คิดว่า มีคําอธิบายได้ในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะจากท่านเพรบูลเนี่ยนะคะสําหรับคําบาลีเราก็มีโอกาสเรียนรู้เช่นคําว่าสัมมณีนท่านก็ยังบอกว่าเนี่ยรากศัพท์เนี่ยมาจากสมนะถูกไหมคะใช่คำถามประเด็นที่จะกราบเรียนถามท่านเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติเลยค่ะสมถะวิปัสนาที่เราจะได้ยินกันอยู่นะคะ<ช>บางคนก็บอกว่าเป็นสิ่งเดียวกันบางคนก็บอกว่าเป็นคนละเรื่องแต่ประเด็นที่ถามมาถามมาว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติแล้ว จึงเจออย่างเดียวเลยค่ะท่านคะอืมสรุปรวมลงที่ทุกทุกทุกทุกทุ ก, ทกอืมใหญ่เป็นเช่นนั้นค่ะโอเพราะว่าอันนี้มันอริยสัจสีมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเราจะเราจะดูได้จากเรื่องของอริยสัจสีเนี่ยเนี่ยคืออะไรคือความจริงอมเรสเสรื่องความทุกเนี่ยก้อที่หนึ่งคือเรื่องทุกเลยข้อที่สองเรื่องเหตุกิดทุกนี่คือทุกที่สองข้อที่สามเรื่องความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยก้อที่สี่เรื่องทางให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกสี่อย่างเนี่ย ทั้งสอย่างนี้มีแต่ทุกทุกๆแล้วก็ทุกสี่ทุกเลยในสี่อย่างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําความเข้าใจเรื่องความทุกข์นี่คือมันถูกต้องแล้วเห็นทุกข์แล้วมันถึงจะเห็นธรรมถึงการที่เราจะเจริญสมถวิปัสสนาก็เพื่อที่ให้เข้าใจเรื่องความทุกข์ไม่เท่นกี้อย่างนี้คุณโยมติว่าคนเราเนี่ยไม่เข้าใจความทุกข์เลยจมปลักอยู่ในความทุกข์แตะพอจมปลักอยู่ในความทุกข์ก็ไม่เห็นอย่างอื่นนอกจากเห็นความทุกข์เห็นก็เห็นไม่ถูกด้วย นะคือถ้าเราเห็นความทุกข์อย่างถูกต้องเราจะวางความทุกข์ได <Okay. S 1> นะ้มันมันต้องแยกคนละประเด็นนิดหนึ่งว่าการละคือหลายๆคนจะมีความเข้าใจว่าทุกข์เนี่ยต้องละ <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนอันนี้เข้าใจผิดนะทุกข์ไม่ได้ให้ละเดี๋ยวฟังๆให้ดีนะทุกข์ไม่ได้ให้ละแต่ทุกข์ให้ทําความเข้าใจพอเราทําความเข้าใจแล้วเราจะวางความทุกข์ได้ไอละความทุกข์กับวางความทุกข์เนี่ยไม่เหมือนกันค okay. ไม่เหมือนกันที่เราบอกว่าปล่อยวางสิปล่อยวางสิปล่อยวางเนี่ยมันคือข้างหลังนู่นแล้วนะคืออยู่ไปอยู่ต้องไหลผ่านหลายขั้นตอนไปอีกกว่าเราจะปล่อยวางความทุกข์ได้แต่ก่อนอื่นเราจะละความทุกข์เป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ถูกนซึ่งในในเรื่องนี้เป็นกิจที่ต้องควรทําในอริยสัจสแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะทุกข์เราต้องทําความเข้าใจคืกข์ต้องทำความเข้าใจใช่ข้อที่2เรื่องเหตุเกิดทุกข์คือตัณหา อันนี้ต้องละนะเราจะต้องละเหตุเกิดทุกข์คือเจ้าตัณหาทุกเนี่ยไม่ได้เห็นละให้ละคือตัณหาหลายหคนก็จะแบ่งผิดอีกนะว่าเช่นสุขจะเอาทุกเนะ่ยหมายถึงทุกขเวทนานะสุ <Okay. S 1> ขเวทนาเนี่ยจะเอาแหมอย่าปฏิบัติให้ได้มันมีปีติสุขอยู่ในใจแต่ถ้ามันมีปวดเมื่อยก็เลยไม่เอาไม่เอาเป็นทุกขเวทนาฉันไม่เอาอันนี้เข้าใจไม่ถูกต้องอย่างมากเลย <c oughs> เพราะว่าถ้าเรา เข้าใจว่าทุกขเวทนาฉันจะต้องละฉันจะต้องไม่เอาคุณเข้าใจผิดเพราะว่าทุกขเวทนาก็เป็นทุกขอริยสัตยสุขเวทนาก็เป็นทุกขอริยสัตย์เขาในะคือเราส่วนใหญ่บางคนจะมีการแบ่งผิดนะคืออยากได้สุขเวทนาไม่อยากได้ทุกขเวทนาค่ะเอาอยากกับไม่อยากเนี่ยเอาอยากไปติดกับสุขเวทนาเอาไม่อยากไปติดกับทุกขเวทนาอันนี้แบ่งผิด นะ่คืออยากและไม่อยากนี่เป็นตัญหาเราต้องละเราจะเก็บอยากเอาไวา้เก็บไม่อยากเอาไวา้ไม่ได้เราต้องละเจ้าอยากและละเจ้าไม่อยากนี้ส่วนสุขเบทนาไม่ใช่จะเอาไว้ทุกขเวทนาไม่ใช่จะให้ละไปแต่สุขเวทนากับทุกขเบทนานี่มันกองเดียวกันอย่าไปแบ่งมันให้เห็นเป็นกองเดียวกันว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจค่ะนะเราถึงจะต้องเห็นทุกคํคําคานี้มันมีความลึกซึ้งอยู่ค่ะตรงนี้นี่คิดว่า เป็นสิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจกันให้มากเพราะคนช<ล>นใหญ่เข้าใจว่าทุกเนี่ยตรงข้ามกับสุขไม่เหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ว่าเป็นก้อนสุขก้อนทุกืมค่ะก็เลยต้องต้องแบ่งใหม่นะเอาคําว่าทุกข์ก่อ น, นที่ที่จะมาพูดถึงว่าทุกข์ก้อนใหญ่ก็คือทุกขอริยสัตว์เนี่ยน ะ, ะก็คือมีทุกขลักษณะอยู่นะอะไรก็ตามที่มีความไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอันนี้คือมีทุกขลักษณะ ทุกขลักษณะถามว่าในสุขเวทนาเอาในทุกขเวทนาก่อนนะทุกเวทนามีความไม่เที่ยงไหมมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไหมมีเห็นไหมมันจึงเป็นทุกขลักษณะในทุกเวทนาทุกเวทนานั้นก็จะมีทุกขลักษณะด้วยถามว่าในสุขเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งไหมเออมีฮะแสดงว่าสุขเวทนาก็มีทุกขลักษณะด้วยทำให้เราจัดเจ้าสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอยู่ในกองเดียวกัน คือกล่องของความทุกข์อันนี้คือกล่องที่หนึ่งต้องทําความเข้าใจมันต้องทําทความเข้าใจนี่คือสามที่พระพรุทธเจ้าใช้คือให้เห็นให้เห็นเนี่ยคือไม่ได้ให้จมอยู่ตรงนั้นเห็นกับจมปลักก็ไม่เหมือนกันอีกนาคที่บอกว่าเห็นทุกข์เห็นทุกข์คือเห็นให้มันแตกฉานเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเห็นด้วยปัญญาถูกต้องตามที่เป็นจริงว่าเอ๊ยเจ้าความทุกข์คือมีสุ ข, ขเบทนามีทุก ข, ขเบทนาเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรมันมีผลเป็นยังไง ตัวมันเป็นยังไงอันนี้คือให้เห็นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงนมันจะต่างกับคนที่จมอยู่ในกองทุกข์คนที่จมอยู่ในกองทุกข์เรียกว่าไม่เห็นทุกข์ทำไมนะคนที่จมอยู่ในกองทุกข์เรียกว่าไม่เห็นทุกข์ทำไมเพราะว่าเพลินอยู่ในทุกข์เพราะว่าตัวเองจมอยู่ในนั้นก็จะไม่เห็นว่าเหตุเกิดขึ้นอะไร เ, เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่รู้เลยแล้วก็มึอนอยู่ในนั้น เนีจะเป็นผู้ที่เริ่มให้คำกลวนตู้บกโชกตัวถึงความเป็นผู้มุนงงคลั่งเพออันนี้คือลักษณะคนที่จมอยู่ในกองทุกข์อยู่ในกองทุกข์ก็จริงแต่ไม่เห็นตามที่เป็นจริงในความทุกข์นั้นกขาพูดว่าง่ายๆสั้นๆว่าไม่เห็นทุกข์ต่างๆที่ตัวเองจมอยู่ในกองทุกข์นะแตกต่างการจมอยู่ในกองทุกข์กับเห็นทุกข์นะทีนี้เจ้าตัณหาคือเหตุเกิดทุกข์คือตัณหานัคือเหตุเกิดทุกข์คือความอยากแต่กับความไม่อยาก ความอยากกับความไม่อยากความไม่อยากก็คืออยากที่จะไม่ได้ถูกไมค่ะเช่นว่าเราอยากไม่แก่เนี่ยคือไม่อยากแก่เนี่ยก็คืออยากที่จะไม่แก่ถูกไมก็คืออยากและไม่อยากเนี่ยก็คืออันเดียวกันไอ้ตรงนี้ต้องละเสียต้องขจัดมันออกไปคมจริงท่านคะเปลี่ยนวิธีการพูดภาษาไทย oh. สมัยจะทำให้เข้าใจชีวิตง่ายขึ้นเลยนะคะ <laughs> <laughs> คือคืออยากจะไม่ จะง่ายกว่าก่ดไม่อยากใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยคนที่ไม่เคยรู้ธรรมะมาก่อนต้องต้องหัดคิดอะค่ะต้องหัดคิดใหม่ว่าอ๋อเวลาเราไม่อยากเนี่ยแปลว่าเราอยากไม่ตูกต้องค่ะตึก้องก็คนคิดว่าท่านูังคงจะเข้าใจตามได้อยู่นะแล้วก็อขีดที่ควรทําด้วยสองอันนี้เราต้องเข้าใจให้ถูกละนะพอเข้าใจถูกอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นแล้วเห็นถูกแล้ว่ะเห็นถูกแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น ในเห็นตู้เราจะมีความหน่ายนะคำว่าหน่ายเนี่ยมันจะต่างกับคําว่าเบื่อเนะื้อเบื่อลักษณะว่าเบื่อเซ็งเช่นว่าเราเบื่ออากาศแบบนี้มันร้อนมันน่าเบื่อเนะื้อความเบื่อแบบนี้เป็นลักษณะของเครื่องกลากันเป็นลักษณะของความที่เราไม่เห็นตามจริงแต่ว่าความหน่ายที่พระพุทธเจ้าใช้ศัพท์ก็เรีย ก, กว่านิพิทาเนี่ยคือแบบว่าหน่ายแล้วมันจะปล่อยวางหน่ายเป็นผลที่เกิดจากความที่เราเห็นตามจริง นหนแล้วมันจะเย็นมันจะวางวางแล้วมันจะเบานะเพรามีความหนายจะมีความใคร่กาหนัดมีความใคร่กำหนัดแล้วจะวางได้ตรงปล่อยวางได้เนี่ยเราจะวางความทุกข์ได้วางความทุกข์กับละตัณหานี่ไม่เหมือนกันนะนะคำว่าละเนี่ยพระพุทธเจ้ า, ชาใช้สั์บาลีที่เรียกว่าปะหานะหมายถึงแบบสลัดทิ้งปลาเลมไม่เอาเลยไม่ไม่สนใจไม่อยากจะไปรู้มันไม่อยากจะเห็นคือละมันทิ้งไปเลยนะคือแบบไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเลยนะคือของที่ไม่ดีของเหม็นๆนี่คือละออกไปเลย แต่ อ, อุจจระเป็นต้นเนี่ยโหถ้าเห็นปุ๊บเราจะรีบแบบละมันทิ้งไปเลยนี่คือลักษณะของละแต่ว่าวางเนี่ยวางนี่มันต่างกันในะการปล่อยวางเนี่ยเป็นผลของเหตุคือการเห็นตามที่เป็นจริงลักษณะของมันจะเย็นลักษณะของมันจะเบาแตนะ่ซึ่งมันเหมือนกับมันต่างกับการละแตนะซึ่งการละเนั้นก็ต้องละตัณหานะไม่ใช่ละความทุกข์แต่ความทุกข์นั้นคุณจะวางความทุกข์ได้คุณต้องเข้าใจความทุกข์ก่อน ที่จะมาพูดตั้งแต่ตอนแรกว่ า, าให้ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยมันมันเร็วเกินไปนะเราจะปล่อยวางสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆฉันก็ละมันเลยคือนั้นคือไม่สนใจเน <c oughs> ซ่ซึ่งซึ่งทำผิดเนีเช่นว่าเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึงน่งลูกทํำไมเป็นอย่างนี้ผัวทาไมเป็นอย่างนี้เพื่อนบากทำไมเป็นอย่างนี้เราบอเออปล่อยวางปล่อยวางสิเนี่เราก็ไปแบบไม่สนใจไม่แก้ปัญหาแล้วคุณดองปัญหาเอาไว้อ่ะเนี่มันปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไข ลูกอาจจะมีเพื่อนชั่วเสพยาเสพติดก็บอกให้ปล่อยวางได้ไงอันนี้คือเข้าใจผิดเต็มที่เลยเนะพราะว่า ด, ดันเอาคำว่าล ะ, ะกับคำว่าวางไปใช้กันสับสนเราก็ใช้ผิดอีกตั้งหากนะซึ่งการละเนี่ยให้ละกับตัญหานะวางเนี่ยคุณจะวางได้คุณต้องเห็นตามจริงมาก่อนนะต้องผ่านกระบวนการการคิดมีการทำในใจโดยแยกคายถูกต้องตามกระบวนการเนะช่น ว, ว่าบางทีเจอปัญหาในครอบครัวหรือปัญหาเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยคุณจะปล่อยวางได้ จิตต้องทํำยังไงต้องผ่านการกระบวนการเห็นตามที่เป็นจริงแในเหตุเกิดแก้ไขเรื่องเหตุของมันทําให้ถูกต้องมันก็จะค่อยทําให้เรื่องราวต่างๆมันระงับไประงับไปแล้วตรงนั้นก็คือวางได้นี่คือทางด้านภายนอกด้วยด้านในใจด้วยอย่างนี้นะค่ะนั้นก็เท่ากับว่าที่มาปรารภกับท่านว่าปฏิบัติสมาสมาธวิปัสสนาแล้วมีแต่ทุกข์ทุกทุกทุกเธอบอกใช่เลยถูกต้องแล้ว เพราะว่าก็จะให้ปฏิบัติให้รู้จักทุกข์ค่ะอริยศาสตร์ใช่ให้เห็นทุกข์อย่างถูกต้องให้เห็นทุกข์อย่างถูกต้องคือได้เห็นอริยศาสตร์สถูกต้องทีนี้ว่าถ้าเราเจอความร้อนเจอแบบอาหารไม่อร่อยเจอคนดา่าอันนี้เรียกเห็นทุกข์หรือยังอันนี้ก็เรียกว่าโดนความทุกข์อยู่แต่เห็นหรือยังอันนี้ไม่รู้อยู่ที่ว่าคุณเห็นตามจริงไหมค่ะอาจจะเห็นหรืออาจจะจมอันนี้เราต้องใช้ปัญญาในการแยก คือเหมือนกับว่าในกรณีนี้นี่เป็นคำถามจากผู้ที่ไปปฏิบัติใช่ไปปฏิบัติเนี่ยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอย่างสิ้นเชิงจากที่เราจากมาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าในโลกที่บ้านเราก็จะสบายๆนะคะตื่นมาอาจจะรีบร้อนไปทำงานแต่เรากา็ทานอาหารร้องเพลงอะไรต่อไม่อะไรสบายใจชิวๆไปหมดแต่พอเข้าวัดปุ๊บเนี่ย เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติมันกับจะขับคล้องใจไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไม่ได้จับกระเป๋าตังค์ไม่ได้มองหน้าใครแล้วส่งสัญญาณยักคิ้วหลียวตาได้ไม่ได้คุยกันนะคะนอนก็นอนไม่สบายแล้วแถมเวลาปฏิบัติโอ้ยมันปวดทัานตัวเลยค่ะท่านคะถ้าคุณไม่คุ้นเคยนะคะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊นี่เราเรามาลงโทษตัวเองหรืออย่างไรใช่ค่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็เลยจะหมดชั่วโมงนี้ค่ะก็เลยต้องทําความเข้าใจให้ถูกแล้ว่า ที่ว่าเห็นทุกเนี่ยในศัพที่พระพุทธเจ้ า, เาหมายถึงก็คือให้เห็นด้วยญาณเห็นด้วยความรู้ตรงนี้เห็นได้ถูกะนะแล้วก็ถ้าเปิ่เรามีความพอใจไม่พอใจความพอใจไม่พอใจเนี่ยต้องละเสียมันเป็นส่วนกับด้วยตัณหาะ่าถ้าเข้าใจ<อ>ถูกแล้วก็จะค่อยมีความกาล้าหน้าเราจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้แล้วมันจะเบาค่ะเล่คิดว่าประเด็นที่ คนทั่วไปที่ยังไม่เคยคุ้นกับการปฏิบัติหรือเข้าไม่ถึงคําสอนที่น่าสนใจอย่างที่ท่านเพริบุญได้พูดไปนะคะจะอยู่ตรงที่ว่าอ๋อเพิ่งรู้นั่นเนี่ยว่าทุกเนี่ยไม่ใช่อพอเจอทุกปุ๊บต้องปลงให้ได้ละวางเลยแต่ทุกเนี่ยต้องเข้าใจมันซะก่อนกต้องก่อนอื่นต้องรู้ว่าเป็นทุกขหรือเปล่าเนี่ยวิธีพิจารณาแบบพระพุทธเจ้าจะมีทุกลักษณะใช่ อธิบายไว้ชัดเจนว่ามีสองอย่างใหญ่ๆอดูซิว่าไม่เที่ยงไหมสอง อ, อย่างนี้คือเรมายกเป็นตัวอย่างแต่จริงๆมีสามอย่างอ๋อเหรอคะใช่ใช่ค่ ะ, ค, ะคือหนึ่ง à, มีความทนอยู่ไม่ได้คือตัวเองเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมันทนอยู่ด้วยสภาวะที่มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ค่ะแต่มันต้องมันต้องเปลี่ยนแปลงอย่างที่สองเนะี่ยปรุงแต่งตัวเองแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันอืมและ ท่านท่านช่วยยกตัวอย่างหน่อยไหครับปุงแต่งตัวเองแล้วปรุงแต่งสิ่งอื cons, ่นไปพร้อมๆกันเช่นเช่นว่าเรากินอาหารเผ็ดอาหารเผ็ดเนี่ยพอเข้าไปในร่างกายเรามันถูกย่อยเป็นเป็นผงเป็นเป็นวุ้นเป็นอะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วแล้วมันก็ปรุงแต่งร่างกายของเราให้ร้อนขึ้นมาอันนี้ก็คือปรุงแต่งตัวเองเปลี่ยนสภาพไปแล้วแล้วก็ปรุงแต่งร่างกายของเราให้ร้อนไปด้วยหรืออย่างเช่นถ้าเราใส่น้ําตาลลงไปในน้ํำใส่น้ําตาลลงไปในน้ำนะไอเกล็ดน้ําตาลเนี่ย มันหายไปแล้วแต่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วปรุงแต่งไปแล้วแล้วมันก็ปรุงแต่งน้ำเนี่ยให้กลายเป็นน้ําหวานขึ้นมาอ่ายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราถูกด่ามาถูกเจ้านายด่าหรือถูกเพื่อนเพื่อนบ้านด่าเสร็จปุ๊บอารมณ์มันไม่อารมณ์ไม่ดีละแต่อารมณ์ไม่ดีเราก็มาลงกับลูกอย่างเงี้ยหรือมาลงกับคนในบ้านเราปรุงแต่งตัวเราเองถูกกระเทือนมาแล้วเราก็ไปปรุงแต่งสิ่งอื่นไปด้วยอันนี้ก็เกิดกระเทื อ, อนกันไปเพราฉะนั้นไอ้ความรู้สึกในใจเราเสียงที่เราได้ยิน มีลักษณะของความทุกข์อยู่ในตัวมันอยู่ละนะปรุงแต่งตัวเองด้วยแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันค่ะนะนะคะนี่ก็เท่ากับว่าครบสามลักษณะ<อ>แล้วแล้วใช่คนอยู่ไม่ได้คือไม่เที่ยงนั่นเองแล้วก็ปรุงแต่งตัวเองและปรุงแต่งผู้อื่นปรุงแต่งอย่างอื่นด้วยใช่อันนี้เรียกว่าเป็นลักษณะของทุกข์อะไรที่มีสามอย่างนี้นะก็คือมีทุกข์เป็นเรียกว่าเป็นอยู่ในโหมดของความทุกข์นั่นเองค่ะ แล้วสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสุขกับทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวเดียวกันใช่ถ้าเราจะพูดให้ใหชัดเจนรัดกุ่มลงไปอีกเรนะก็ต้องใช้คำว่าสุขเวทนากับทุกขเวทนาค่ะอันนี้ก็คืออยู่ในอันเดียวกันยังไงก็คือเป็นเวทนาเหมือนกันค่ะเวทนาก็จะมีทุกขลักษณะอยู่ในมันหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนา ค่ะนะคะก็เอาคําอธิบายเรื่องทุกลักษณะเมื่อสักครู่เนี้ยมาอธิบายสุ ข, ขเวทนากับทุก ข, ขเวทนาแล้วจะเห็นชัดเจนเลยว่าสุขเป็นทุกอย่างไรคือสุขทนอยู่ไม่ได้ไม่เที่ยงไม่มีใครสุขแช่ไปตลอดชีวิตใช่ะคะค่ะพอพอเข้าใจอย่างนี้แล้วนะเราจะน่ายในมันแล้วก็วางความสุขได้วางความทุกข์ได้ค่ะ เดี๋ยวเช่นก็เคยได้ยินผู้ปฏิบัติหลายๆคนนะคะที่พูดถึงว่าอพอปฏิบัติไปแล้วมันมันเบื่อจริงอืมนะครับก็คงจะเป็นประเภทที่ท่านกําลังบอกอยู่นี่ไหมคะใช่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นมีความรู้มีญาณเกิดเกินเห็นแล้วอย่างเนี้ยแต่นะ ค, คนที่เห็นว่าโอ้มันน่าหน่ายาจริงๆหน้าที่จะไม่ได้จะทําไมฉันจะต้องมายึดถือเอาไว้อนะุปมาประมาทที่บารมีชาบเปรีบเทียบในที่นี้ก็คือเหมือนกับคนที่แบบตาบอดมาแต่กําเนิด แล้วก็ <c oughs> ไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยนะคือไม่เห็นสีไม่เห็นแสงไม่รู้อะไรมาตั้งแต่เกิดก็ตาบอดมาแล้วนะ <c oughs> แล้วก็มีได้ยินว่าเออผ้าขาวเนื้อดีเป็นของดีเป็นของงามแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเขามาหลอกเอาผ้าเปื้อนขมาเนี่ยมาหลอกว่านนี้เป็นผ้าขาวตัวเองก็ไม่เห็นนะเพ <c oughs> ราะว่าตาบอดจูบ่ะท <c oughs> ีพออยู่มาวันหนึ่งเกิดมีหมอเข้ามารักษาแลนะให้ตาที่บอดเนี่ยดีแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วก็รู้ว่าอ๋อนี่สีขาวอันนี้สีดําอันนี้สีเหลืองอันนี้สีฟ้า แล้วก็พอมาเห็นผ้าที่ตัวเองคิดว่าเป็นผ้าขาวอ้าวมันเปื้อนขมานี่มันสีดําโอ้โหแบบมันมันวางเลยอะ่ะมันโอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้มันไม่ได้แล้วมันเหมือนก็ถูกหลอกค่ะอยเช่นเดียวกันพอเราเข้าใจความทุกข์เห็นความทุกข์อย่างจริงๆแล้วเราจะหน่ายตรงหน่ายนะี่คืออารมณ์นี้เลยอะ่ะว่าอ้าวนี่มันดนํานี่มันไม่ใช่ขาวโอ๊ยทิ้ง ท่านท่านคุณคะถ้าอย่างนั้นอุปมาที่พระพุทโธได้เปรียบเทียบเหมือนคนตาบอดแล้วต่อมาตามไม่บอดเนี่ยนะคะจะเปรียบได้กับคนที่แต่ก่อนยังไม่เคยรู้จักการปฏิบัติสมถะวิปัสนาอจะมาตาสว่างต่อเมื่อได้ปฏิบัติสมถะวิปัสนาอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องตรงนี้แหละศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ในกระบวนการตรงนี้นะพูดสั้ๆว่าเห็นทุก เห็นคำว่าเห็นนี่คือใช้ยานความรู้ความสามารถตามกระบวนการนี้เห็นอะไรเห็นในความทุกข์นี่แหละว่ามันเป็นอย่างนี้ค่ะเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมถูกต้องนี่เราถึงจะเห็นธรรมได้อั่างนั้นใครที่ฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วมีความรู้สึกว่าเราจะเห็นได้ยังไงล่ะก็ไปลงมือปฏิบัติจะมาต่าวิปัสสนาค่ะอเดือนหน้าคอร์สเปิดเมื่อไหร่คะเต็มหรือยังคะอ่าก็จะเป็นคือในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงปิดเทอม ล้วก็จะมีอยู่สามคอร์สด้วยกันต่อกันเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษามีนาที่ผ่านมาละวันที่ยี่สิบแปดถึงวันที่ห้าเมษาช่วงกลางเดือนเมษาก็สิบเอ็ดถึงสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบห้าเมษาจนถึงสามพฤษภานี่ก็อีกรอบหนึ่งก็เท่ากับว่าให้หลบร้อนเข้าไปเย็นจิตกัน ได้เลยที่วัดนะคะวัดปาดอนไฮโซงจวดอดอนธานีเข้าเว็บไซต์ได้นะคะที่ w w w w p d hs.org ค่ะก็คงขอบพระคุณท่านเพบุนไว้นะโอกาสนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะกาับมาองราการค่ะท่านฟังที่ครบค่ะรายการนี้นะคะสันสินิสมนาดิฉันสันสินหนาพงเขาต้องการให้เวลาทุกๆเช้าของท่านทั้งหลายนั้นน่ะ ได้เศษในสิ่งที่สะอาดแล้วก็เกิดประโยชน์กับชีวิตยอย่างแท้จริงเพราะว่ า, าเมื่อได้เริ่มต้นตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมนุษย์เนี่ยจะเจอกับอะไรตรอมีอะไรที่ล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยภาระที่จะต้องทำให้เร า, ามาขัดเปล่ามานำออกนะคะแล้วก็ลองเป็นโจทย์ที่เราจะคิดกันต่อไปซิว่าไอ้ที่เราเจอวันเนี้ยเป็นทุกคือเข้าอยู่ในทุกลักษณะที่พระพุทธองค์ตรัสไหมไว้ไหม ว่านักษณะไม่เที่ยงนะคือทนอยู่ไม่ได้นะคะปรุงแต่งตัวเองมาปรุงแต่งอย่างอื่นหรือเปล่าก็คิดซะว่ า, าทั้งได้ความรู้ทั้งได้ความสนุกแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นปฐมบทของการที่เราจะได้เข้าใจธรรมะจะได้ปล่อยวางความทุกข์ได้อย่างแท้จริงต่อไปนะคะวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการสรนสนีสมทนาและที่ชั้นสันสนีนาพงศ์พุทโธสวัสดีค่ะ